ต้นสาขาทุทธ บ, บริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยเรื่องขาาองมโหสถบัณฑิตแต่ว่าเพื่อให้เรื่องขาาองมโหสถบัณฑิตที่ลูกหลานจะเพียงรับฟังจะฟังไ่้โดยสะดวกไม่มีอะไรขั้นในระหว่างกลางจะได้ไม่ลำพานหลวงปู่ก็ขอเวลาคุยกับลูกหลานทั้งสองสามนาที ในบางทีอาจจะเป็นนาทีเดียวก็ได้คือมีเรื่องน่าคิดอยู่เรื่องหนึ่งพราในครั้งหนึ่งที่ร้องปู่มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษเขาเล่าลือกันว่าประเทศอังกฤษนี่เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีพระมหากษัตริย์อย่างของเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก แล้วเขาก็มีนายกรัฐมนตรีมีสภาผู้แทนนิติบมีทั้งสภาผู้ใหญ่สภาผู้น้อยซึ่สภาเกณฑ์สภาเลือกตั้งแล้วก็สภาแต่งตั้งเว ล, ลานั้นหลวงปู่ไปไม่ได้เสียสตังหรอกเพราะว่าหลวงปู่ไม่ได้มีสตังอย่างเขาไม่มีทุนไม่มีรอนจะไปเที่ยวตามประเทศได้ด้วยเงิน ยิ่งไปโดยวิธีที่ไม่ต้องเสียเงนถ้าสมัยเก่าๆเขาเรียกว่าไปอย่างกากุ ล, ลาสีเรือหรือว่าไปอย่างประเภทคนที่ติดเรือไปแต่น้องปู่ก็ไม่ได้ไปเรือไม่ได้ไปเรือไม่ไม่โดยสารน่ะนะน้องปู่ก็ไม่ได้ไปเครื่องบินน้องปู่ไม่ได้ไปรถนนะ้องปูไ่ไปเฉย ไปนั่งดูเข้าไปชุมสภาสภาของเขานี่เวลาสมัยประชุมเข้าไปชุมกันทุกวันพระราชาบรัดาอะไรจะออกมารู้สึกว่าเขาออกเร็วเขาพูดกันมีเหตุมีผลเวลาที่เขาพูดกันเขาก็พูดกับประธานสภาพูดในการมีบรรดาทุกค้อยคําที่พูดมาเขามีเหตุมีผลดี สำหรับรัฐมนตรีที่จะตอบก็ตอบได้เหตุผลน่ารักน่าฟังฟังแล้วเพลินรู้สึกว่าในขณะนั้นมันยากของเขาดีมากแต่ว่ามีเรื่องแปลกกับประเทศเราอยู่เรื่องหนึ่งเพราะาเรามีสภามีพระมหากษัตริย์แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีเหมือนกัน แต่ว่าสภาของเราในสมัยประชุมไม่ได้ไประชุมทุกวันทั้งๆ ท, ที่ไม่ไประชุมทุกวันเนี่ยก็ยังมีขาดการประชุมกันอยู่ล้มปู่รู้สึกเสียดายเงินภาษีก่อนที่เราเสียเขาไปว่าคนนี้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นตัวแทนของเราเพื่อความอยู่รอดของประเทศแต่ได้ว่าเขากลับทอยยศต่อพวกเรา เอาเงินเาทองของพวกเราไปกินไปใช้แบบทุจริตคิดไม่ชอบอันนี้หลวงปู่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำอย่างนั้นแต <c oughs> ่ว่ามีเรื่องเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่อยากจะพูดแต่ยาแก้ประเทศเราเป็นอย่างนั้นประเทศของเรามีพระมหาการสัตว์อย่างประเทศอังกฤษมีรัฐมนตรีคือมีคณะรัฐบาล แล้วว่าการประชุมไม่ประชุมทุกวันอันนี้หลวงปู่คิดว่าในสมัยประชุมควรจะประชุมกันทุกวันไม่แล้วการประชุมไม่ควรจะขาดประชุมอย่าหลอกลวงพวกเราทำไมผู้แทนประเภทนี้ลูกหลานจำไว้ถ้าเลือกเข้าไปแล้วมีผู้แทนคนใดปฏิบัติตนอย่างนี้ที่หลังจงอย่าเลือกเข้าไป แล้วรกรนีสองเท่าเวลาเขาพูดเขาพูดเพื่อเการหาเสียงพูดไรประโยชน์พูดแทนประเทศนี้ที่หลังก็จงอย่าเลือกเข้าไปเรียกว่าเจ็บแล้วประจำเจ็บเจบจำแล้วก็ทำจริงคือเราเฉดไปเลยคัดเอาไปนอกบัญชีแล้วส่วนที่ไม่ดีเพราว่าเทศเราก็ขอตำแหน่นิดหนึ่งเขาจะหาว่าต้องปู่เป็นคนแก่ก็ช่างเถอะ ไปการประชุมสภาแต่ละคราวเอารัฐมนตรีทุกกระทรวงมานั่งแล้วถูกถามก็ถามก็แบบอิเลเปปะไปนั้ว่าสมัยประชุมทอสภารัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีก็ไม่มีหน้าที่ไม่มีเวลาที่จะคิดจะทําอะไรเรื่องราวต่างๆที่จะต้องเซ็นเขาเรารัฐมนตรีเซ็นมาก ของเขางานไป้จำมีบัตรจะส่งเป็นผู้เซ็นรัฐมนตรีเพียงจะรักษานโยบายแต่ว่าประเทศเรารัฐมนตรีต้องเซ็นด้วยในเมื่อทำไมเมื่อเข้าถึงสมัยวัยชุมจะต้องถูกถามปัญหาต่างๆก็เตรียมการตอบจะไม่มีเวลาที่จะเซ็นหนังสืองานมันก็ช้า สำหรับของประเทศอังกฤษที่น้องปูป่ไปแอบไปดูเขาน้องปู่เข้าไปเนะี่ยไม่มีใครเขาเชิญหรอกนะแล้วก็ไม่ใช่ไปไม่ใช่มีเป็นแขกแขกพวไม่เกียรติไม่แขกรับเชิญเข า, เากแขกเสือกที่ว่าแขกเสียกก็เสียกเข้าไปเฉยๆแต่ก็ไม่มีใครเขาว่าน้องปู่ก็ไปนั่งใกล้ลใกล้ประธานสภา ใกล้รัฐบาลดูลีลาการประชุมของเขาการประชุมของเขาเขามีอย่างนี้ถูกหลานที่รักเขาปชุมกันทุกวันกาะทูถามที่จะถามเข้าไปก็ส่งหัวข้อ ก, การถามเข้าไปก่อน้าเลขาที่การสภาก็แจกไปที่รัฐมนตรีนัดวันการตอบการตอบนี้เขาตอบกันวันและกระทรวง อย่าสมมติว่าวันนี้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีศึกษาธิการจะตอบท่านรัฐมนตรีกับเลขาหรือผู้ช่วยของท่านก็มาเฉพาะกระทรวงเดียวกระทรวงอื่นก็ทำงานไปตามหน้าที่ถ้าวันไหนเป็นหน้าที่เขากระทรวงไหนจะตอบก็ามาเฉพาะกระทรวงนั้นไม่ต้องมานั่งรวมกันทุกคนแบบแบบของเรารู้สึกว่างายของเขาแบบนี้ดี รัฐมนตรีคนใดอื่นกระทรวงอื่นที่ไม่ต้องจะต้องถูกถามก็ไม่เสียเวลาทํางานงานของเขาจงรวดเร็วเฉะนั้นขอลูกหลานที่รักถ้าลูกหลานไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลลูกหลานถ้ายจะมีโอกาสเป็นผู้แทนนักแสดงก็ควรจะใช้นโยบายอย่างนี้ปฏิบัติเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษเขางานของเราก็จะก้าวไปด้วยดี คณะรัฐมนตรีก็ยะมีโอกาสทำงานได้เต็มที่ในเมื่อในเมื่อไม่ถึงวาระที่ตัวยัต้องไปไปโต้ตอบคำถามละชี้แจงแก่ผู้แทนรัศฎรแล้วก็ให้ผู้แทนรัศดรนั้นทำงานให้เต็มที่ให้สมกับศักดิ์ศรีที่เป็นผู้แทนประชาชนและสมกับที่กินเงินของชาวบ้านที่ยากจนเอาไปใช้เป็นเบี้ยเลี้ยงค่าพานะค่าเดินทางเป็นเงินเดือน อันดับสำหะวันนี้หลวงปูก่ก็โวนลูกหลานมาคิดว่าจะสักหนึ่งนาทีมันล่อเข้าไปเจ็ดนาทีหบนาทีเศษอันนี้เป็นคติเตือนไว้นะถ้าทําอย่างนี้ได้จะมีประโยชน์มาก ถ, าถ้าหักว่าจะเห็นว่าหลวงปูค่คลุกคลืเกินไปแล้วก็ขอลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็คิดนะจ๊ะคิดว่าถ้าทําอย่างนี้นะมันจะดีไหม พระราชบัญญัติต่างๆที่เย่าเพึ่อออกมานั้นไม่ใช่สามเดือนออกาได้3สามฉบับมันเสียเวลาการงานดีไม่ดีอย่างน้ำท่วมปีสองหนึ่งนี่ถ้ามีสภาผู้แทนรัศอรก็โต้กันไปโต้กันมาดึงกันไปดึงกันมาดึงเพร่ะสะทั้งคนอดข้าวตายไปเลยไม่ท่านจะได้ข้าวกินอย่างรัฐบาลเครียงสัตว์นี่หลวงปู่มที่ยกจองท่านนะ เอาความจริงมาพูดกันพอน้ำท่วมปับสร้างตั้งว่าประมาณพิเศษงบก็ปีแล้วสร้างช่วยเหลือทันทีแมบบ่เข้าแสนปลาภาสาลไปองค์การต่างๆก็แบบไปล้มปูก็จะไปเมื่อไัน่พราะเตรียมลดน้ำท่วมวัดทันทีแงแก่ไปไม่ได้ก็ส่งเข้าสารออกไปทั้งหมดสามพันสามพันถังให้ทหารตำรวจนำไปแจกแทน แล้วเราส่งน้ําตาลไปทั้งหมดหกร้อยหกพันเรีก่าหกพันกิโลกรัมเอาน้ําตาลไปแจกด้วยผ้าไม่มีเพระผ้าแจกสมดที่แจกน้ําตาลให้ว่าถ้าเธอไม่กินน้ําตาลเธอก็จะมีโอกาสเอาน้ําตาลไปขายเป็นแลกเป็นขับข้าวคนใดแล้วก็มีกระปิบ้างปลาเค็มบ้างเครื่องกระป๋องบ้างน้องปลูกไปช่วยไปหลายพันชดุด เนี่ยตามที่เพื่องทำได้แต่ว่าในสมัยรัฐบายเครียงศักดิ์ต้องปูดชอบใจอยู่อย่างหนึ่งคือทำอะไรทำทันทีทันใดทันใจรัษดรเมื่อน้ำลดก็มีโอกาสไปพบกับท่านในวันที่เท่อด ถ, ถินวัดแต่วัโคเชรินอำเภอโคสํมโร นั่งหอไปกับท่านถามมันนำรถท่านยังไงท่านบอกส่งแท็กเตอร์ไปแล้วครับสองร้อยคำเสร็จแล้วทรายจาไม่ได้ไปถึงก็ไถทันทีโดยที่ตาสันดอนไม่ต้องขอร้องที่ไหนควรจะปลูกข้าวก็ปลูกข้าวที่ไหนควจะปลูกถั่วก็ปลูกถั่วลูกให้เลยหวานให้เลยทันทีเมื่อว่าต้นผลมันมีเจ้าของที่เป็นคนได้นี่รัฐบาลเขาต้องทําอย่างนี้ ทำทันทีทันใดยามมมันนั่งพูดกันอย่างที่เข้าไปชโฉมโต้กันไปโต้กันมาวันไม่ได้เรื่องเราอะไรเพราะนี่สุดพูกนั้นไม่ใช่เป็นผู้แทนของเราเป็นผู้แทนกระเป๋าของเขาทําลายความดีของพวกเราคนที่เป็นผู้แทนอย่างนี้ลกูกหลานที่รักจงอย่าคบแล้วอย่าเลือกเข้าไปต่อไปอีกหน้าเก่าๆใครบ้างที่เราจําได้ว่าเลวจงอย่าเลือกเข้าไป ถ้าเขาเป็นหน้าใหม่เราเลือกเข้าไปถ้าไม่ดีต่อไปก็จงอย่าเลือกความจริงรัฐธรรมนูญและกฎหมายควรจะมีว่าขับผู้แทนนักสเที่ไม่ดีออกมาให้มาได้ก็จะดีมากไม่อย่างงั้นก็จะไปนั่งเลวทวงความเจริญของประเทศชาติตั้งสี่ปีในโนบูเห็นว่าไม่สมควรเอาคุยกันต่อไปวันในวันนี้เดี๋ยวเวลาน้อยหน่อยนะจ๊ะ และเวลาสักสิบห้านาทีเสษเสียต้งขอโทษโลหลานที่รักเป็นอันว่าเรามาดูลีลาขนนกแก้วกับนางนกสันิกาเสร็จนางนกสันิกาถูกเกียวคนนิดเดียวตกเป็นพัญญาขนกแก้วเสร็จแล้วความจริงลีลาแบบนี้ล้มโปเห็นว่าไม่แปลกที่ว่าไม่แปลกเพราะอะไรเพราะว่าล้มโปสมัยก่อนเจ้าโชคอ แล้วเจ้าโชจนอิ่มอิ่มแล้วก็เบื่อเอื่มเอื่มความเป็นเจ้าโชว์เพราะบวชเข้ามาแล้วจึงไม่มีความรู้สึกว่าปรารถนาจะมีพัญญาเห็นสตีใดเข้ามาจะสาวจะสวยขนาดไหนก็ตามเมื่อสมัยหนุ่มๆคิดว่าเธอเป็นน้องตอนแก่เขาวันนีเธอเรียกล้วนลุ่นหน้าก็คิดว่าเธอเป็นหลานตอนนี้เขาเรียกวิลลมพ่อก็คิดว่าเขาเป็นลูก เขาเรียกล้มโป้ก็คิดว่าเป็นหลานเป็นนั้นว่าเป็นนั้นว่าตอนนี้ไปเราก็ไปเล่ากันถึงเรื่องของนาง น, นกสติกากับนกแก้วต่อไปนาง น, นกสติกาอกตอนนี้มาจบตรงไหนะ่ะตอนนี้พุทางครับพูกกัาว่านกแกว้วเขาบอกเขามีธุระอยากจะคุยด้วยแต่ว่าวันนี้คุยไม่ได้ เอาไว้คุยกันวันหน้านะก็พอดีจบตอนนั้นสมาณโลกเศรษกาจึงตอบว่าที่รักถ้าเรื่องที่ท้าเจ้าจะถามนั้นน่ะเป็นมงคลก็จงถามมาเถิดไม่ต้องรอในวันหน้าเพราะวันนี้มันก็เป็นวันบันมงคลของเราแล้วเนี่ยเราได้ร่วมรักกันเป็นสามีภรรยา จ, จัดว่าเป็นมหามงคลใหญ่นะแน่ถ้าว่าหลวงปู่ว่ามันทุกใหญ่นะไม่ใช่สุขใหญ่ มันเป็นอภิมงคนใหญ่รักกันแล้วหนักใจด้วยกั น, นคู่ต่างคนต่างต้องเอาใจกันถ้ามีลูกออกมามันจะหนักมากกว่านั้นแต่ว่านกแก้วในกรงทองเสดิการในกรงทองไม่ต้องหาอาหารก็ไม่หนักมันก็เป็นความสุขพอว่าันต่อไปว่าเธอจะพูษอะไรก็พูดเธอถ้ามันเป็นมงคลไม่ต้องรอวันหน้ารอวันนี้ก็แล้วกัน ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นอับปางองคนก็อย่าเพิ่งพูดเลยนะเพราะวันนี้ปล่อยให้เรามีความสุขก็ให้เต็มที่สุดพันให้เข้าใหม่ประมาณ น, นี่ลูกหลานที่รักมันดีแต่เคยเห็นไหมว่าคนรักกันเต็มที่แต่ว่านานๆนนไปจิตใจก็มักจะเลื่อนลอยเห็นไหมแล้วก็เป็นยังไงอยู่กันไม่นานเท่าไหร่ก็อย่ารางกัน ทะเลาะกันก่อนก็อย่าร้างไม่เห็นดีเลยแต่เรื่องฮองโลกีวิสัยต้องปลุไม่เถียงทําก็ทําไปเถอะตามใจชอบเป็นนั้นว่านกแก้วก็บอกว่าอยอดรักเรื่องนี้เป็นมงคลอันนี้ญาติให้ถามข้าก็จะถามได้นี่แหละนางเล็กเสด็จกาจึงตอบที่ต่อว่าถามไปเถอะที่รัก เปน็นนว่านนกแกบอกว่าข้าได้ยินว่ามหาชนตามชนบทฮนะตามชาวบ้านเน่ยชนบทก็คือจะว่างเขาพากันนะเขาไม่ได้พาไปเที่ยวเขาพากันโจดจันท์สลือกันแท้ไปหมดว่าพระนนางปัญจาระนะท่านนางปัญจาระจันทีพระจิติดาขพระเจ้าจันที ทรงมีพระรูปประโฉมงดงามอย่างยิ่งราชาชวินัยจากสมพระราชทานให้แก่พระเจ้าวิเทหราชพระมกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลานครและก็กำลงกังจะกาหนดวันวิเศษกันอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นความจ ร, รงจิงหรือเป็นประการใดมันเื่งจริงหรือไม่จริงนางลบสริกาก็มีอาการตกตะลึงพูดว่าที่รัก ทำไมเจ้าจึงมากล่าวเรื่องอัปมงคลในวันนี้เป็นมงคลของเราอย่างนี้แล้วแก้วจึงได้ถามว่ายอดรักข้าว่าเรื่องนี้มันเป็นมงคลนะทำไมเจ้ายังว่าเป็นอัปมงคลล่ะก็คนนี่เราแต่งงานกันวันนี้เราถือว่าเป็นวันมงคล ในเมื่อบทเ จ, จ้าจุลนีจะยกลูกสาวให้เราข้าพรเจ้าวิเทหราชก็ถือว่าเป็นมงคลใ น, นที่รักทําไมเธอจึงกล่าวว่าเป็นอัปมงคลนาลกเสนิกาเจนิพุทธว่าที่รักตามเรื่องของเรื่องก็ดูว่าเป็นมงคลแล้วภายหลังจะกลายเป็นอัปมงคลนี่ใช่ไมละตอนนี้ไม่อยากเรื่องไม่อยาก ถ้าตกลงตรงชนะใจกันเสร็ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ชนะหมดไปแลาว่านางนกแก้วสงสัยไม่ใช่นางนกแก้วนะนายนกแก้วนกแก้วสงสัยในคําพูดของ น, นางนกเซลิกาที่ไี่ขอร้องให้นางเล่าความให้กระจางนางนกเซลิกาไม่กล้าพูด เขาแก้วเชนีตัดพ้อต่อ ว, ว่ากับนางว่าเมื่อเจ้าไม่ยอมบอกความลับแก่ข้าผู้เป็นสามีของเจ้าเช น, นี้การเป็นสามีพัญญาของเราก็ไม่มีความหมายอะไรและเมื่อไว้วางใจกันไม่ได้นี่มันก็เป็นสามีพัญญากันไม่ได้ดีไม่ดีที่ไปครบชู่สู่ชายเขาให้ใครมาฆ่าฉันนี่ฉันก็เห็นจะไม่ไหวแล้วเนี่ยได้ท่าเนี่ย เขาบอกว่าเพราะปัญญาปกปิดความรักแก่สามีชี่ว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีนี่เป็นเรื่องฉลาดนี้ระวังให้ดีนะไมเจะแ ก, วกแ้วกลาดไม่นางลกสลิ ก, กาเมื่อถูกไม้นี้เขานกแก้วเข้าก็จนใจยังนี้พูดว่าที่รักโปรดฟังข้าจะบอกดีนี่แหละพูดตามความจริงเลย เพราะว่าข้าเป็นพญญาที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าผู้เป็นสามีแม่เรื่องไ ง, ไง่ายงไม่ยากนางนกแก้วเจนิกานกแก้วเจนิกา ว, ว่าอยอดรักเชิญบอกเธอที่รักฉันกําลังฟังอยู่แล้วนางนกศรลกาเจนี่บอกก็นกแก้วว่าฉันไม่อยากจะมีวิวามงคลนะี่ฉันไม่อยากจะให้มีวิวามงคลเกิดขึ้น ในเราในระหว่างพระราชินดาของพระเจ้าจนันลีกับพระเจ้าวิเทหาราชเลยเขาว่าอย่างนั้นนะลูกแก้วอยู่ในถามว่านี่เธอทําไมหรือก็ในเมื่อพระเจ้าจนันลีกับพระเจ้าวิเทหาราชเคยเป็นปฏิบัติกันโดยพระเจ้าจนานลียกทัพเป็นล้อมเมืองแล้วที่หลังเขากลับใจใหม่กลับมาเป็นมิตรนี่ความจริงก็เป็นความคิดที่ดี เพื่อผูกสามสัมพันธ์อมิติมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่มีคนนีแต่งงานกันการแต่งงานกันระหว่างพระเจ้าวิเทยราชกับลูกสาวเขาไมเจ้าจุลนีสองปฏิพีผืนแผ่นดินนี้จะเป็นแผ่นผืนแผ่นดินทองเป็นแผ่นดินเดียวกันก็น่าจะสงเคราะห์นี่นะน่าจะเห็นด้วยนางลบสาริกาเจในฟุลวาพระเจ้าจุลนีรธรรมทัต แห่บัญจารนครนำพระเจ้าวิเทหราชมาแล้วนะหมายความว่าให้พระเจ้าวิเทหราชมารับนางจะเป็นลูกสาวก็จะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชเสียเพราะว่าพระเจ้าจุลณีไม่ใช่เป็นพระสหายของพระเจ้าวิเทหราชมโหพระเจ้าจุลณีทรงเอาพราชรินดาเป็นโลดหลวงพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถ เมื่อมาถึงบัญจารณนะครแล้วก็จะฆ่าเสียทั้งสองคนเพราะการกระทำครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตธรรมเข้าเราดีไหมนาทีโลเกล โ, ละะโลโหนามะโรงแานที่รักขึ้นเที่ยวความรับมันไม่มีในโลกข้อไผนะนุองปูไม่ค่อยส บ, บายเวลานี้น้องปูกำลังไปไข้หวัดมันหนาว มันหนาวนะตัวมันหนาวอากาศหนาวแล้วมันหนาวก็ไม่ทราบมันเป็นหวัดจะ่ไม่เป็นไรเพื่อความเพลิดเพลินและเพื่อความสุขของลูกของหลานลุงปู่ทําได้ทุกอย่างจึงกว่าจะสิ้นลมปราณตอนนี้ก็เห็นลูกหลานที่รักเป็นคนดีถ้าอะไรก็ตามทีเจ้าจะเป็นความสุขของลูกของหลานแล้วลุงปู่ พ, พร้อมเพราะว่ารู้ตัวแก่ไม่ช้าก็ตาย เจ้าหวงร่างกายไว้เพื่อประโยชน์อะไรนะั่นมันไม่เป็นประโยชน์ตายแล้วจะได้มีประโยชน์ต่อไปถ้าเรื่องที่ท่านหลายฟังนี้มันเป็นคุณประโยชน์ถ้าเสี่ยงใดที่เห็นว่าเป็นโทษจงระมัดระวังอย่าปฏิบัติตามเสียงใดที่เป็นคุณควรปฏิบัติตามเป็นว่านานกสันิการจะได้พูดต่อไปว่าความลับนี้รู้กันเพียงสองคนเท่านั้นคือพระเจ้าจุนณนีกับอาจารย์เกวัตผู้เป็นโบริวหิต เจ้าสองได้ปรึกษากันในห้องบรรทมนี้ข้าได้ยินมาอย่างนี้ทุกอย่างว่าเขาจะใช่นางคือเป็นนกสาวเป็นนกตอฝ่ายนกแก้าได้ฟังดังนั้นจึงนี้แกล้งชมเกวัตโปริว่าแม้ท่านอาจากกรย์เกวัตนี่ท่านจะเป็นคนฉนลาดจริงๆนะ ใชุบายลึกซึ้งสมกับที่เป็นโระโหิตในสนักในสำนักขมพระเจ้าจรินีพราทัตที่สา ม, ม า, า, า, า, ารถจะฆ่าพระเจ้าอิทียราชน้มโหสถด้วยบายได้อย่างนี้รู้สึกว่าเป็นบมายที่แนบเนียนดีจริงๆนี่ลูกหลานจำไหมนะถ้าใครก็พูดอะไรเป็นที่ไม่ชอบใจของเราจะแสดงความโกรธออกมายิม้มรู้สึกเหมือนว่า เรื่องนั้นไม่กรทกกระเทยใจทำใจวางเฉยเขาวายและใช้จริยาอ่อนโยนวกจราเาลาะจะได้ลวงล่วงความลับเขามาได้เวลานี้ข้าสิกรรมประเทศไทยเขากาลังทําอย่างนี้เหมือนกันในบ้า ศ, าศาสนาเข้ามาเป็นพระในบ้าศาสนาเข้ามาอย่างพุทธศาสนิกชนเป็นคนใจดีมีความเรียบร้อยอ่อนน้อมต่อพระ ดีไม่ดีก็ทําหยเงินถาวายของถาวายเยอะแยะค่าสูงมากแต่กลับออกไปแล้วเขาบอกเข้าไปถึงแล้วเลวจริงๆเขาว่าอย่างนั้นแม้ในหมู่เขาลู่หลานก็เช่นเดียวกันเ้าก็ยัแซ่แค่แซ่เหน่อยเอาละแย่คําวานิดนัะแยะไปหน่อยเห็นว่าชาติของเราไม่ดีเขาต้องการให้พวกเรานี้เป็นที่คาดระวังวาจาของเ ข, งขงจาจะเล่เหลี่ยมแห่งวาจาจริยาเป็นของสําคัญ คุยกันต่อไปเมื่อนกแก้วพูดอย่างนั้นก็เสแสร้งแกล้งพูดต่อไปที่เรื่องอื่นเพื่อไม่ให้ น, หนานกสริกาจับได้ว่าเป็นสายลับของมโหสถจะไม่ดีนะลูกหลานนะจำลีลานกแก้วไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็จะดูถูกว่าสัตว์เดรัจฉานเลวนกแกว้วรู้ความลับแล้วก็พอใจ ชวนนานลกศริกาคุยเรื่ององื่นๆจวกรทัางเย็นจึงนอนอยู่ด้วยกันแม่แจ๋วลีจริงๆเดียวเดียวสาเร็จผลรุ่งช้าวนกแก้วกระพุกกระนาศริกาว่ายอดรักข้าเห็นจะต้องกลับไปนครศรีวีนี่เป็นเมืองโกหกที่เขาโกหกแหลงไว้เพื่อกราบทูลให้บราชาของข้า เรื่องนี้ข้าได้ได้พัญญาที่ถูกใจแล้วแล้วข้าจะไปเพียงเจ็ดวันแล้วก็จะกลับมาอีกเมกื่อกี้ถ้าตอนเติมรัชรัชโยอริฐานะตัวนี้เรียกว่าศรีวีนครศรีวีคือประเทศนะเป็นประเทศอริฐาอริษบุรีแต่เมืองหลวงจริงๆเขาเรียกนครศรีวีประเดี๋ยวลูกหลานจะไปเถียงกัน นางนกสลีกาทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ไม่อยากใช่นกแก้วกลับไปอนกแก้วผููเป็นสา ม, มีจะต้องจากไปพวามจริงข้าวใหม่ปรามันยุ่ิกันวันเดียวก็น่าเสียดายจากไปฉึนกาลังใหม่ๆนี้รู้สึกใจมันเต้นนะึกนึกไม่อยากใช้ไปแต่ก็ห้ามไม่ได้ โอ้กแก้วมีเหตุมีผลได้รับพระาชองค์การจากระราชาขอ ง, งเขาว่าเมื่อได้พัญญาที่ถูกใจแล้วก็ต้องกลับไปรายงานให้ทราบยังมีพูดกับลกแก้วว่าเอเคที่รักของข้าข้าขอยเจ้าไปเพียงเจ็ดวันเท่านั้นถ้าครบเจ็ดวันเจ้าไม่มาข้าจะยอมตายไม่ให้เรื่องความรักในมันหนักนะนกแก้วก็พูดว่ายอรัก เย้พูดอะไรอย่างนั้นข้าสิถ้าไม่เห็นเจ้าในวันที่แปดข้าก็ต้องไม่จะต้องตายไม่มีชีวิตอยู่ได้แน่นอนแล้วเพราะรักเจ้ามากจริงๆรักเจ้ายิ่งกว่าชีวิตโอ้โหต่างคนต่างแม้ฝ่ายหนึ่งพูดจริงฝ่ายหนึ่งก็หกฝ่ายโกหกนี่แหลกหักแหลมมากเมื่อต่างล่ําลาสแสดงความอะไรต่อกันแล้วนกแก้วก็บินออกจากช่องว่าแคร ทำเป็นมุ่งหน้าไปแคว้นศีวีไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับก็กลับมาทางน้นกสัิกาสแสดงความอะไรหอดเห็นว่าแสนที่จะหวงบินไปหน่อยหนึ่งหันหน้าหันหลังกลับมาลาลาันอีกอท่ามพอตเาไปทำเรื่องเสร็จแล้วก็บินโผล่ผินไปได้วยความเร็วไปส่งกรุงมิถิลามหานคร ตรงไปถึงว่ามโหสดจับที่บาเของมโหสถแล้วเพื่อแจ้เรื่องความลับที่ได้นได้มาจากนางลกเศรษฐีกาให้มโหสัวให้มโหสดสั่สงทุกประการเรื่องความรับที่มโหสถได้ทราบแล้วจะวางแผนเป็นประการไล่ลูกหลานที่รักและเมื่อมองดูเวลาเห็นเมื่อเวลาหมดเสร็จแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอต้องข อ, งข อ, อยุติว่าจะเปลี่ยเแ่านี้ ขอความสุขสวัสิทธิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์โูนผลจงมีแด่ท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกคนตั้งแต่คนหน้าโรงมาถึงพันโรงและก็จงมีแด่บรรดาแด่ผู้ศึกษาสนิทสนานโลกหลานที่รักขอทุกท่านจมประสบแต่ความสุกดิ์สิทธิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์โูนผลและจงเจริญไปด้วยเจตัวรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันณะสุขะละและปฏิภาณหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งดใดก็คอยได้สิ่งนั้นสูงความปรารถนาจตุภระการสวัสดี